สี่สิบเจ็ดชชลิ ช, ช, า ช, ลชการเตรียมตัวเดินทางบรมโมเนียร์รสตุติมเนียรรสตุติคุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว তোমাকে আমাদের স ুร ক েูทเคส ত ে হবে তোমাকে আমাদের স ่า ক েออามา ত ে হবে ูทเคสอย่าลืมอะไรนะ কোনো কিছু ผู ল ব ে না কোনো কিছু ผู้ ব ে না คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ তোমার একটা বড় স ুดูสูทเคสใช้ตัวมาแ ড กตาบอ อย่าลืมหนังสือเดินทางนะบัตรพาสปอร์ตนี่เตะบลูลนะบัตร t e สปอร์ตนนอย่าลืมตั๋วเครนะื่องบินนะต n ๋วเครื่องบินนี่เตะบลูโลนะตั๋วเ n รอตนะอย่าลืมเช็คเดินทางนะทราเวลเลอร์สเช nite ่เตะบลูโลนะทราเวลเลอรสเชค บุหรีเอาครีมซันแทนไปด้วยนะซันสครีนโลชั่นชงกินเอาซสครีนโลชั่นชงกอาแวันตากันแดดไปด้วยนะสังเบรุมาชกาักบรดชมาชกนอว เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ sun hat barod t p i s n g n a o sun hat ba r o t p i s n g n i o คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม t k i ร a n i t r o n i t ต c i a n i t r o n คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม ทูมিคีพัทธุผลดุรโธกพุสติกานิเตชะอว์ทูิคีุผลดุรกพุสติกาิเตวคุณจะเอาร่มไปด้วยไหมทูมিกีชาตาณิ তে ชะอวทูมিคชาตาณิเตชอวอย่าลืมกางเกงเสื้อและถุงเท้านะแพนชาทและมวกมอญรินี ट, บ a n t Shirt ทและโมจ่ a m ม n น k ก r รนิโอย่าลืมเน็กไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะทายเบลต์และคาร l ด r Jacket m o มเน o r เ n นิโอทายเบลต์และคาร์ดแจ็คเก็ตโมเนโกเรนิอย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะไ a রাতে ีปูชักและ ট s h i r t Monocore Neo ป้ายจามาราตรีปูชักและ t s i r t o n o c o r e n e คุณต้องใช้รองเท้ารองเท้าแตะและรองเท้าบู๊ তোমার জুত ุโตช็อปปอลและบู๊ตจุโตชัยตัวมารจุโตช็อুปอลและบูจ คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสบู่และกรรไกรตัดเล็บตุมาร์รูมาร์ลชาบันและนิลคลิปเปอร์ใช่ตุมาร์รูมาลชาบันและนลคลิปลาา เ, ออเลลปอร์ชยัยคุณต้องใช้หวีแปรงสีฟันและยาสีฟันตุมาร์ชิรุนีดาตมาจาย์บราชแลงเพสต์ชัย তোমার চিরুনি দ াัตมัจจรบราชและบองเพสต์ช